สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมานายทกรคนชอบเล่าคลิปนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระอริยสงฆ์ท่านเกจิต่างๆเกี่ยวกับอํานาจพระพุทธคุณคาถาอาคมและเครื่องรางของขลังกันอีกแล้วนะครับโดยได้รับความกรุณาเอื้อเฟื้อทางด้านข้อมูลมาจากคุณเบนไตรพนนาสมบูรณ์เจ้าของเพจคนขลังคลังวิชาที่มีบันทึกข้อมูลอันเป็นสาระกฎแห่งกรรมบาปบุลคุณโทษและประวัติพระเกจิหลายท่านอีกมากมายให้ได้เข้าไปอ่านไปศึกษากันครับ ตัวผมเองคือมีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่รูปหนึ่งมาแต่ก็แบบผันผ่านหูไม่บ่อยนักเกี่ยวกับความลึกลับและปฏิหารที่เกี่ยวกับตัวท่านประมาณว่าไม่มีใครบอกที่มาที่ไปของท่านอย่างชัดเจนได้เหมือนพระตัวท่านนั้นได้ท่องอยู่ในโลกนี้เพื่อประดิษในช่วงเวลาที่ต่างยุคต่างสมัยกันมันเป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์ยิ่งนักในวงเล็บอาจเป็นพระผมบุญน้อยสังคมที่อยู่ด้วยไม่เอือ้อและการที่ตัวท่านได้ไปปรากฏต่างยุคต่างเวลากันนี้เป็นเหตุให้มีเรื่องราวที่เหล่าสิทธิ์ ผมเองก็สนใจใคร่รู้เกี่ยวกับท่านเหมือนกันแล้วก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในเพจคนขลังคลังวิชาได้มีบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านไว้และคลิปนี้ผมนักตะกรคนชอบเล่าก็จะขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวบางส่วนของหลวงปู่รูปหนึ่งที่มีบันทึกอยู่ในเพจคนขลังคลังวิชาผู้มีนามว่าหลวงปู่เดินหนอิเกซาโรมาถ่ายทอดให้ฟังกันนะครับและบันทึกเรื่องราวจะมีอะไรบ้างขอเชิญรับฟังครับถ้าจะว่าไปเรื่องราวพินิหารของครูบาอาจารย์ยุบโบราณ น, นั้น มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายเรื่องเราและคนที่ฟังเมื่อไม่ได้เห็นด้วยตาก็ไม่เชื่อซ้ํำยังว่าเป็นนิทานหลอกเด็กขณะเรื่องราวของพระพุทธเจ้าคราวที่พระองค์ประสูตจากคันพระมารดาแล้วก็เกิดอพินิหารโดยพระองค์นั้นทรงพระดําเนินได้7จ็ก้าคนสมัยนี้ได้ฟังก็บอกว่าไม่จริงเด็กทารกอะไรเดินได้สําหรับเรื่องดังกล่าวนี้ข้าพเจ้าเคยได้รับฟังจากหลวงปู่เดินหุนอิเกซาโรท่านยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหาใช่การแต่งเติมเรื่องขึ้นในภายหลัง ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นมหาสัตว์มีบารมีแก่กล้าสัส่งสมมาจนเต็มที่แล้วเป็นเอกในโลกเหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงจึงมีความพิเศษเหนือ ก, กฎเกณฑ์ธรรมชาติดังนั้นจะามาเปรียบเปรตตุชนทั่วไปไม่ได้ส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามใจเขาใครคิดไม่ดีปรามาสเขาก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมแม้นเรื่องของหลวงปู่เดินหนอิเกสาโรก็เห็นมีผู้รู้ออกความเห็นไปต่างๆนาน า, นาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเอาความคิดส่วนตัวมามโนไปเองพวกนี้เห็นมีมาก บางว่าพระอริยท่านไม่มีมาประทับทรงผ่านร่างใครหรอกบางก็ว่าทรงเจ้าเข้าผีนี่ยไม่มีจริงซึ่งผู้ที่เก่งแต่รู้แค่ด้านเดียวไม่เคยเห็นรับรู้จริงก็ย่อมว่าไม่มีเป็นธรรมดาตัวอย่างเรื่องของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ที่วันนี้คนเคารพกันทั่วประเทศทั้งที่เป็นพระที่อยู่ในสมัยอยุธยาแล้วคนรู้จักเรื่องราวของท่านได้อย่างไรบอกตรงนี้เลยว่าก็เพราะท่านมาประทับทรงผ่านร่างแล้วเล่าเรื่องราวของท่านให้ผุ้คนรุ่นหลังได้ทราบ พระเครื่องท่านรื่นเก่ามีประสบการณ์มากมายก็เกิดจากการเข้าประทับทรงปลุกเสกแทบทั้งเส้นท่านมาเข้าทรงร่างของพระอาจารย์ทีมวัดช้างให้หลวงปู่มุนวัดเขาแดงแตะวันตกและอีกมากมายหลายรูป ก, การเข้าทรงจริงน่ะมีแต่น้อยมากอย่ามารวมไปหมดว่าทั้งหมดไม่เป็นของจริงหลวงปู่เดินหนนอิกเกสาโรท่านพูดเสมอว่าสมัยนี้คนเก่งมันมีมากถึงไปก็ไม่มีวันชนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ช่างอย่าไปใส่ใจคนเลย เรามั่นใจของเรามั่นใจว่าทําดีไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับตนเองก็ทําไปการไหว้พระสวดมนต์ทำบุญไม่เคยทําให้ใครตายหรือเดือดร้อนนอกจากการทําบุญแบบแรสติเท่านั้นที่อาจนําพาความเดือดร้อนมาให้ดังนั้นเรื่องราวอภินิหารหรือคําสอนของหลวงปู่ท่านใดเชื่อก็ลองคิดตามดูก่อนจะเชื่ออีกทีและลองนําไปปฏิบัติ ด, ดูก่อนส่วนใครไม่เชื่อหรือมั่นใจว่าอาจารย์ของท่านเป็นที่สุดในตองอูเป็นยอดในยุทธจักรแล้วก็ไปตามทางของท่านครับ หลวงปู่เดินหนอิเกะสาโรเป็นพระที่เหลือเพียงน้ําไม่มีรูปร่างแต่พวกเราเหล่าสิทธ์ล้วนมั่นใจและรักคารมท่านจริงเพราะเราเคยพบเคยคุยเคยฟังทำคําสอนอึนลึกซึ้งของท่านทุกอย่างที่เคยผ่านมือหลวงปู่สิทธิ์ล้วนเชื่อมั่นว่าดีมาวันนี้เพียงดอกบัวเก่าที่ท่านเคยมอบให้เมื่อหลายสิบปีก่อนที่เหลือไว้เพื่อยืนยันว่าเรื่องราวพินิจหารของหลวงปู่มีจริงดอกบัวที่ยังคงบานและฝักบัวที่ยังเขียวอยู่แม้นผ่านมันเวลามากกว่า20ปีแล้วก็ตาม มองดอกโบ น, นี้ครั้งใดทําให้หวนนึกคืนวันเก่าสาธุกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพยิ่งในวันนี้ถ้ามีใครสักคนถามข้าพเจ้าว่าหากย้อนเวลากลับไปได้หนึ่งวันข้าพเจ้าอยากไปพบใครขอตอบทันทีแบบไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าขอกลับไปพบหลวงปู่เดินหินอีกสักครั้งและเชื่อว่ามีสิทธิหลวงปู่อีกหลายคนคิดเช่นเดียวกันในชาตินี้แม้ข้าพเจ้าจะเกิดมาไม่ร่ำรวยเหมือนใครไม่มียศไม่มีชื่อเสียงก็ไม่เคยสนใจใดเลย เพราะในชีวิตนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาได้พบเห็นได้ศรัทธาได้เชื่อมั่นสุดใจในเรื่องกฎแห่งกรรมและได้รับรู้ว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงแท้เงินทองมากมายเพียงใดก็ไม่อาจซื้อความอัศจรรย์หรือซื้อโอกาสในการสัมผัสกับเหล่าวิญ ญ, ญาณได้นอกจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นที่ว่าสัมผัสวิญ ญ, ญาณ น, นี้หลายท่านคงสงสัยว่าสัมผัสอย่างไรหลับฝันหรือว่านั่งสมาธิไปเห็น ละมากที่สุดที่มนุษย์คิดได้คงนึกว่าผีอั้มหรือว่าผีลอกขออภัยที่ท่านนื้อคิดนั้นมันธรรมดาเกินไปเพราะหากสิ่งที่ข้าพเจ้าพบผิ็นมาธรรมดาเพียงแค่นั้นข้าพเจ้าคงไม่มาเสียเวลาเขียนให้เมื่อยมื อ, มอข้อมูลที่เสนอทุกเรื่องของคนขลังคลังวิชาล้วนมีบุคคลที่อ้างอิงได้จริงด้วยเรื่องของหลวงปู่เดินหนุนอิเกะสาโรทุกเรื่องเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงไใช่แค่เพียงนิทานเล่าสืบกันมาแบบเขาเล่าว่าหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้แบบนั้นมันไร้ค่า คงเป็นได้เพียงนิทานเล่าให้ลูกหลานฟังก่อนนอนเท่านั้นซึ่งการสัมผัสที่ข้าพเจ้าหมายถึงนั้นคือสัมผัสจับเนื้อต้องตัวไดารู้ว่าร่างกายของวิญญาณหรือผีนั้นเนื้อตัวเย็นเฉียบเหมือนน้าแข็งจรงิงขอยกเรื่องราวมากล่าวถึงสักเรื่องหนึ่งมีสิทธิ์ของหลวงปู่ท่านหนึ่งเคยจับมือกับผีท่านผู้นี้เป็นนายทหารระดับในพลนามว่าพลเอกสมยศสมบูรณ์ผลอดีตเจ้ากรมพลาธิการทหารบก ปัจจุบันในว้80กว่าปีท่านยังคงแข็งแรงและจดจําเรื่องราวในพิธีเชิญวิญญาณซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนความคิดของท่านได้ไปตลอดการได้เป็นอย่างดีพลเอกสมยศเป็นศิษย์ของหลวงปู่ได้เข้าเฝ้าครั้งแรกราวปีพุทธศักราช2529ท่านเล่า ว, ว่านั่นเป็นครั้งแรกที่ท่านได้เข้าร่วมในพิธีเชิญวิญญาณในความมืดมิดภายในห้องที่ประกอบพิธีความเย็นจากเครื่องปรับอากาศได้ยินเสียงหลวงปูส่สวดมนต์พึมพำอยู่ครู่ใหญ่ จากนั้นหลวงปู่ท่านก็พูดว่าเวลานี้ทางเปิดวิญญาณของมณีนนหงขอให้ทุกคนอย่าออกไปนอกวงสายเส้นจะู๋เขได้ยินเสียงมาหอนแว่วมาแต่ไกลและครู่ต่อมาตตต เสียงดังตึงตังคล้ายคนกำลังเหยียบย่ำคเนว่าเจ้าของเสียงฝีเท้าต้องมีมากกว่า50คนขึ้นไปหรือไม่ก็หลักร้อยกุกกอกกุกกอกครืนครืนเสียงคล้ายผู้คนจำนวนมากกำลังเบียดเสียดเข้ามาในห้องพิธีเสียงผนังห้องสะเทือนจากแรงกระแทกกระทัน่นเสียงดังตึงตังตึงตังดังอยู่ตลอดม่หยุดเขาว่าเสียงเหมือนผู้คนจำนวนมากกำลังแย่งกันเบียดเสียดเข้ามาในห้องนั้นขอบอกว่าสิ่งที่ได้ยินนี้เราไม่เห็นตัวเจ้าของเสียงเลย พระสถานที่โดยรอบพิถีและภายในห้องจะปิดไฟจนมืดหมดเวลาผ่านไปนานพอสมควรกว่าสิ่งต่งตางๆจะสงบลงจากนั้นเคร่คงเคร่งเครื่อจึงได้ยินเสียงคล้ายผู้คนจํานวนมากกำลังยื้อยแย่งอาหารกันในความมืดเบื้องหน้าที่พวกเรานั่งกันอยู่เสียงจานเสียงช้อนซ่อมเสียงแก้วเสียงขวดดังไปทั่วบริเวณเบื้องหน้าเราบางก็ได้ยินเสียงคุยซุบซิบกระซิบกระซาบกันแต่เป็นเสียงพูดที่จับใจความไม่ได้ ต่อมาก็ได้ยินสิ่งหลวงปู่พูดขึ้นในความเมื่อธันไดเรียกให้ผลเอกสมยศเข้าไปหาท่านจากนั้นหลวงปู่ก็สั่งให้ผลเอกสมยศยื่นมือออกไปนอกสายสิน์และสั่งให้ยื่นแขนออกไปจนสุดเมื่อแรกผลเอกสมยศท่านก็ยังลังเลแต่ความเป็นชายชาติทหารอีกทั้งเป็นการเข้าร่วมพิธีครั้งแรกในใจลึกๆท่านก็อยากพิสูจน์ว่าหากยื่นมือออกไปนอกสายสิน์แล้วจะเป็นอย่างไรและความอยากรู้ของท่านนั้นก็ได้รู้สมใจ เมื่อมือของท่านที่ยื่นออกไปนั้นได้สัมผัสกับอุ้งมืออันเย็นเฉียบอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนมือที่ว่าเย็นเฉียบนี้คือเย็นเหมือนถูกแช่เย็นในช่องแข็งแต่หน้าแปลกที่มือนั้นแห้งไม่มีความชื้นเลยพราะหกมือคนเราไปแช่น้ำแข็งหรือแช่ตู้เย็นมาจะต้องมีไอชื้นติดอยู่และเมื่อมือท่านสัมผัสโดนกับมืออันเย็นเฉียบนี้ท่านถึงกับสะดุ้งรีบหดมือกลับทันทีพลันได้ยินเสียงหลวงปู่สั่งขึ้นในความมืดคลายท่านเห็นว่าหดมือกลับมาทำไม ยื่นมือออกไปรับแก้วเหล้าจากเขาเสซ่มิญญาณนี้ก็ชอบเจ้าเขาชอบทหารเขาชื่นชมก็จงมีให้เกียรติเจ้าร่วมดื่มกับเขาพลเอกสมยศได้ฟังดังนี้ก็รวบรวมความกล้อีกครั้งและยื่นมือออกไปนอกสายสินจนสุดแขนปรากฏว่ามีแก้วใบหนึ่งมาสัมผัสที่มือและในขณะที่รับแก้วเหล้าอยู่นั้นมือของท่านก็ได้สัมผัสกับมืออันเย็นเฉียบอีกครั้งหนึ่งท่านว่ามือนั้นรู้สึกไวใหญ่และแข็งมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนักพลเอกสมยศรับแก้วมาแล้วก็จิบเหล้าเข้าปากเพียงเล็กน้อย คราวนี้ก็ได้ยินสิ่งหลวงปู่พูดขึ้นมาในความมืดอีกทีว่าวิญญาณเขาว่าเจ้าไม่ยอมดื่มเหล้าแบบนี้ไม่ให้เกียรติเขาเลยดื่มสักหน่อยสิเขาขอผลเอกสมยศนึกแปลกใจว่าในความมืดที่แม้แต่กุ้มมองตัวเองยังไม่เห็นเลยทําไมหลวงปู่ท่านจึงเห็นว่าท่านเพียงแค่จิบเหล้าคราวนี้ผลเอกสมยศรีบกระดกแก้วเหล้าขึ้นดื่มทันทีไม่ดื่มแล้วก็รีบรายงานหลวงปู่สิ่งหลวงปู่สั่งผลเอกสมยศให้ยืนแก้วที่ดื่มแล้วออกไปนอกใสาสินอีกครั้งแล้วคืนแก้วนั้นให้กับวิ ญ, ญ, ญาณ คลานก็มีมือใครไม่รู้มารับแก้ไปจากมือพลเอกสมยศเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นประสบการณ์ที่พลเอกสมยศสมบูรณ์ผลไม่เคยลืมและท่านยืนยันว่าหลวงปู่เดินหนุนอเกสาโรทําให้ท่านเห็นได้จริงคํำว่าเห็นจริงนี้เพระท่านเคยพบเจอมาหลายเหตุการณ์ซึ่งจะนํามาเสนอในวาระต่อๆไปและแน่นอนหลวงปูท่ทาให้ท่านให้สงสัยในเรื่องของวิญ ญ, ญาณเพราะในวันนั้นท่านมั่นใจและผูดอย่งไม่ลังเลเลยว่าผีมีจริงแล้วก็จบประสบการณ์จับมือกับผีของสิทธ์หลวงปู่ เราไปต่อกันอีกสักหนึ่งบันทึกครับบันทึกนี้มีชื่อว่าบาทาร้าเงากับหมอผีเหมาซานและบร ม, มครูหลวงปู่เดินหุนอิเกซาโรฟังแล้วหลายคนคิดไปถึงหนังจีนละสิแต่เรื่องราวและเนื้อหานั้นเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับสิทธิได้พบอาจารย์ดีก็ไม่ต่างกับลูกที่มีพ่อแม่ผู้ประเสริฐและมีปัญญาที่คอยเอาใจใส่สั่งสอนดูแลอันว่าพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดลูกดูแลลูกเป็นปกติแต่จะหาครูดีแสนประเสรศิฐ ผู้ พ, พร้อมด้วยคุณธรรมทั้งเลือในสัพพวิชาอย่างเอกอุจะเป็นยอดยุทธ์นั้นหาได้ยากในแผ่นดินชีวิตนี้ข้าพเจ้าย้อนคิดไปนับแต่วันที่จําความได้ได้รับใช้ได้พบเห็นอิทธิคุณหลากหลายของหลวงปู่เดินหนุนิเกสาโรที่โดดอัศจรรย์เหนือคําบรรยายมาวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้พบเพชรแท้ของแผ่นดินสําหรับความเมตตาช่วยเหลือสิทธในการต่างๆนั้นเป็นที่รู้กันในหมู่สิทธ์ว่าหากเป็นสิทธ์ของหลวงปู่มีความเคารพนับถือด้วยใจมั่นจริงแล้วคําว่าถิ้งสิทธิ์ไม่มี เพราะบางเรื่องแม้ไม่ได้ร้องขอหลวงปู่ก็ช่วยหากจาเป็นมีเหตุการณ์หนึ่งที่อยากนํามาบอกเล่าเป็นเรื่องราวที่ทําให้รู้ว่าความรักความเมตตาที่หลวงปู่มีให้สิทธนั้นมากมายเหลือเกินเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคุณวัฒนาชาัยกนกรัตนาหรือลุงเหลียงปัจจุบันอายุ82ปีลุงเหลียงได้ยินชื่อเสียงของหลวงปู่เดินหนดีเกสาโรมาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มอายุ10กว่าปีแต่สมัยนั้นเพิ่งเริ่มทํางานต้องเฝ้าร้านจึงยังไม่ได้เข้าเฝ้าหลวงปู่ สมัยนั้นเท่าแก่ร้านที่ลุงเหลียงทํางานอยู่แกเป็นเพื่อนกับเจ้าของโรงหนังเฉลิมเขตจึงได้แอบฟังเท่าแก่พูดคุยกับเพื่อนถึงเรื่องราวอภินิหารต่างๆของหลวงปู่จึงศรัทธาทรว่าโรงหนังเฉลิมเขตตั้งอยู่บนทางแพร่งเมื่อเริ่มสร้างโรงหนังก็ปรากฏมีเหตุลึกลับเกิดขึ้นบ่อยครั้งเจ้าของโรงหนังจึงได้มาขอให้หลวงปู่ช่วยข่มอาถรรพ์และปรับภูมิที่ตั้งด้วยวิชาจนเรื่องลึกลับต่างๆสงบลงได้ต่อมากว่าที่ลุงเหลียงจะได้เป็นสิทธ์หลวงปู่อายุก็ราวสาปีเศษ หลวงปู่ชี้แนะการดำเนินชีวิตจนสร้างเนื้อสร้างตัวพอมีฐานะจึงมาเปิดร้านทองอยู่บริเวณแยกดินแดงช่วงที่ย้ายมาเปิดร้านขายทองก็ได้จุดธูปบอกเล่าขอบารมีหลวงปู่ขอท่านเมตตาคุ้มครองของความปลอดภัยเพราะร้านขายทองนี้เป็นที่รู้กันว่ามีอันตรายได้เสมอช่วงที่มาเปิดร้านปีแรกทุกอย่างก็ยังสงบดีพอขึ้นปีที่สองมีร้านค้ามาเปิดใหม่อยู่ตึกยิงเงยิงกันมาเปิดร้านขายของชำช่วงเช้าจะขายสลาเปา อยู่ต่อมายายซิมเจ้าของร้านมีท่าทีปแปลกๆมักจุดทูบและเดินมาปักที่ใกล้ร้านลุงเหลียงทั้งยังไม่ยอมขายของให้ครอบครัวลุงเหลียงอีกนอกจากนี้ยายซิมยังไปเที่ยวบอกใครต่อใครว่าลุงเหลียงใช้กล้องส่องทางไกลดูคนในบ้านเขาลุงเหลียงทราบเรื่องก็ไม่ได้ไปสอบถามเพราะไม่อยากยุ่งจะว่าไปบางครั้งคนเราโกรธเกลียดกันก็ไม่มีเหตุผลลุงเหลียงไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายกับใครแต่ก็โดนใส่ความ อาจเป็นได้ไปช่วงเทศกาลมีลูกค้ามาซื้อทองบางครั้งประจอดรถขวางหน้าร้านอสมก็เป็นได้หลงเหลียงวางเฉยมาตลอดจนวันหนึ่งได้มากราบหลวงปู่ที่อสมจึงเรียนถามท่านถึงเรื่องราวดังกล่าวหลวงปู่ท่านหัวเราะและพูดเพียงสั้นๆว่า <c oughs> ปู่รู้แล้วท่านกล่าวเพียงเท่านั้นเวลาก็ผ่านล่วงไปจนวันหนึง่งอยู่ครอบครบยวเยสิมก็เก็บของย้ายบ้านไปเสียเฉยแต่ก่อนที่กจะไปเยสิมบอกกับเพื่อนบ้านแถวๆนั้นว่า รังท้องของอาเหลียงอีพีดุขอทุกคนอย่าได้ไปอยู่งได้จะเดือดร้อนแล้วก่อนที่ครอบครัวเยซิมจะย้ายบ้านเพื่อนบ้านได้เล่าให้ลุงเหลียงฟังว่าในวันที่ลุงเหลียงปิดร้านได้เห็นมีชายชาวจีนแต่งตัวแบบหมอผีในภาพยนตร์จีนแต่งตัวเครื่องแบบเต็มที่มีหมวกและอุปกรณ์หลายอย่างเดินทางมากับลูกศิษย์สองสคนหมอผีจีนไปยืนสวดมนต์จุดทูบพันขโมงแล้วให้ศิษย์นำทูบไปปักใกล้ๆหน้าร้านของลุงเหลียงแล้วหมอผีจีนก็นำแผ่นยันกระดาษขึ้นมาเผาแล้วก็ทำท่าทีปแปลกๆอยู่พักนึ ก่อนที่จะนํากล้องส่งทางไกลเป็นกล้องแบบที่ใช้มองดูด้วยตาข้างเดียวสองกล้องเห็นไปทางร้านหุงเหลียงอยู่ครู่ใหญ่พักเดียวหมอผีจีนก็ร้องดังลัน่นไอ้อาส่งสิยงเ อ, อ้าแล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านข่ของชําของยีซิมครู่หนึ่งก็เดินออกจากร้านด้วยท่าทีเร่งเรบขึ้นรถยนต์ที่ทจอดไคอยอยู่แล้วออกรถไปทันทีต่อมาจึงเห็นยีซิมเก็บเข้าของและย้ายบ้านไปทางครอบครัวแม่หนุ่งเหลียงทราบเรื่องจากเพื่อนบ้านก็รู้สึกไม่สบายใจ พระไม่รู้ว่าเยซิมเอาหมอผีมาทําอะไรไว้บ้างจึงรีบมากราบขอคําชี้แนะจากหลวงปู่เมื่อลุงเหลียงได้พบหลวงปู่เรื่องทุกอย่างจึงกระจ่างเพราะเมื่อลุงเหลียงได้พบกับหลวงปู่ท่านพูดขึ้นมาก่อนเลยว่า <c oughs> เขาเอาหมอผีมาดูว่าบ้านเองมีอะไรพระเยซิมนี่มันคิดไปเองขี้ระแวงมันคิดว่าเองไปชอบมันไปแอบมองมันอีกอย่างมันขายของไม่ดีเพราะมีคนไปจอดรถขวางหน้าร้านเขาจึงไม่พอใจว่าเป็นลูกค้าของร้านเองเขายิงกโกรธ คนมันติตใจไม่ปกติไม่มีผัวเกลียดชังคนอื่นไปเรื่อยไม่มีเหตุผลมันเลยแกล้งเองจุดทูบมาปากหน้าร้านฉันเองอยู่เรื่อยๆปู่ก็ปล่อยมันทําไปพอมันเห็นเองไม่เป็นอะไรไม่เกิดผลมันจึงไปหาอาจารย์คอยช่วยทําให้เองอยู่ไม่ได้ให้เดือดร้อนให้เองอยู่ไม่ได้หมอผีมันก็พอมีวิชาดีอยู่ได้ทําวิชามาหลายครั้งแต่ไม่เกิดผล ตัวอาจารย์มันจึงมาดูด้วยตัวเองว่าบ้านเองมีของอะไรคุ้มกันอยู่ปู่เห็นว่ามันหนักข้อเกินไปแล้วเพราะตลอดมาอิซิมแกนั่นปู่ไม่อยากทาแต่ไออาจารย์นี่ดูท่าทางมันน่าจะเก่งมาทำพิธีแถมเรียกเชิญครูวิชาเหมาสารมันมาช่วยครูเหมาสารมันหนวดขาวยาวหน้าดูครูมันที่มาไม่เห็นว่าปู่อยู่ที่นี่จึงมาช่วยมันถือว่ามีดีม่ช่วยกันทาวิชาใส่ปุกเอง แบบนี้ถือว่ามีวิชาดีแล้วมาลองกันถึงทีมารุมเรังแกะครอบครัวเองเกินไปเองมันสิทธิ์ปู่ปูจึงยกสนติ้นให้มันดูแสดงตัวให้มันเห็นสักทีว่าที่คุ้มครองอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรมีแค่สนติ้นปูนี่แหละปูให้มันดูแค่นั้นครูมันไปเห็นว่าปูอยู่ครูมันหายวับไปเลยเรานึกว่ามันจะแน ส่วนไอหมอผีตัวสิทธิ์คนที่มันทําพิธีเอากล่องมาสง่งเพรมันเห็นสันตีนปู่เข่าเต็มตาเต็มกล่องของมันก็ร้องไ อ, อ้อะวิ่งหนีไปซสียแล้วปู่ก็นึกว่าจะแน่อะไรกันว่ามีแค่นี้เองพาหนีหมดทั้งอาจารย์ทั้งสิทธ์เราก็นึกว่าหมอผีเหมาสารจะแน่หลวงเหลียงพอได้ฟังเรื่องราวตรงกับที่ตนได้ฟังมาจากเพื่อนบ้านรู้สึกตื้นตันน้นําตาไหลพูดไม่ออกที่หลวงปู่มาปกป้องคุ้มครองอยู่ตลอดทั้งที่สิทธ์มีจํานวนมากมายแต่หลวงปู่ก็ไม่เคยทิ้งในเวลาที่มีภยัย ยังไม่ถึงว่าหลวงปู่จะคอยคุ้มครองและมองดูอยู่เสมอช่วยเหลือโดยที่ตัวลุงเหลี่ย ง, งเองก็ยังไม่รู้เพราะหากไม่ได้มาถามหลวงปู่ท่านก็ไม่พูดไม่แสดงออกแสดงตัวตนอบุญอาคุณว่าได้ช่วยนี่เป็นความรักความเมตตาที่ไม่ได้หวังว่าช่วยแล้วผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นจะต้องรู้ต้องเห็นต้องมาขอบคุณท่านเป็นความรักที่มีแต่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือหวังให้มาเคารพรักท่านนี่แหละคือความรักความเมตตาของหลวงปู่ที่มีให้เสร็จ เราแค่ไม่ต้องการสิ่งใดเหมือนกับที่หลวงปู่พูดกับพวกเราเสมอว่าเอ็งให้ปู่สิบปู่ก็ให้คืนสิบเอ็งให้ปู่ร้อยปู่ก็ให้คืน 100. ร้อยกราบหลวงปู่ด้วยความเคารพรักศรัทธาอย่างที่สุดไม่ใช่พวกใส่ชุดขาวหลับตาเพื่อสร้างภาพเป็นเพียงแค่คนบาป ท, ที่ผ่านมาคนขลังคลังวิชาขอขอบคุณข้อมูลที่เรียบประเด็นโดยคนขลังคลังวิชาครับและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหลวงปู่เดินหนอิเกซาโรจากบันทึกของลูกศิษย์ ในภายภาคหน้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อมูลอะไรอัปเดตก็จะมาถ่ายทอดให้ฟังต่อนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังนะครับวันนี้วันพระสำรวมจิตสำรวจใจบรหิหารสติตัวเองด้วยการรู้คิดรู้การกระทําผลที่ได้ก็ได้กับตัวเองทั้งนั้นซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นผลดีแน่เพราะเราจะไม่พลาดไม่หลงไม่เผลอไปตามมารมณ์และกิเลสยั่วยุต่างๆรอบกายขออย่างนี้ถ้าเราไม่ทําเองไม่มีใครทําให้ได้ครับ เช่นเดียวกันครับใครได้กินข้าวคนนั้นก็อิ่มออแล้วเจอกันอีกทีในวันจันทร์เลยนะครับช่วงนี้มีภารกิจมากมายขอไปด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญายในการดำารงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ